m mm -hmm. วันหนึ่งนะที่พวกเราได้มาทำวัดกราบคารวะพระรัตนตรยัยแล้วก็ฟังธรรมนะโดยที่เรานะนั่งอยู่อาศัยพื้นดินรอนะบตัวก็เป็นต้นไม้เป็นธรรมชาติข้างบนก็เป็นท้องฟ้าแตกต่างจากการทาวัดสวดมนตนะ์ปกตินะที่เราทำกันในศาลา บางครั้งก็ทํากันในโบสถ์การที่เรามาทําวัดกันท่ามกลางธรรมชาติบนพื้นดินนี่หรือว่าเป็นเกียรตินะไม่ใช่เป็นเรื่องต่ำต้อยเพราะนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้านะแล้วก็พระสาวกนะในสมัยพุทธการได้บําเพ็ญปฏิบัตินะตอนที่พทธเจ้าแสดงธรรมให้กับปัญจวัคคีย์รู้จักไหมปัญจวัคคีย์ นะซึ่งเป็นพระอาหารหันต์กลุ่มแรกเนี่ยพระงคก็แสดงธรรมนะบนพื้นดินนั่นแหละแล้วก็ในป่าท่ามกลางธรรมชาติมันไม่ใช่ง่ายนะที่เราจะมีโอกาสมาธรรมวสตรมนกลางดินท่ามกลางธรรมชาติมีท้องฟ้านะเป็นเสมือนหลังคาเป็นการเจริญรอยตามพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอาหารหันตะ์ทศวาค ในสมัยพุทธกาลดูแรกๆสมัยนี้เนี่ยเราเรารู้สึกว่ า, าเรื่องการที่จะมานอนกลางดินก็ดีหรือว่ามาทําวัดบนที่ร่่งโปร่งแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องต่ําต้อยนะไม่เหมือนกับการที่ไปทาวัดกันในโบสถ์ในวิหารนะซึ่งหลายแห่งหลายที่ก็ราคาเป็นสิบล้านร้อยล้านพันล้านแต่ว่า ในทางในความหมายที่ลึกซึ้งแล้วเนี่ยนะมันสู้การที่เรามาทำวัดกลางดินนะรอบมีธรรมชาติรายล้อมไม่ได้ธรรมชาตินี่ก็เป็นเหมือนแม่ของเรานะมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติก็เหมือนก็อยู่ท่ามกลางอกกอดของแม่นะที่ได้เลี้ยงดูเรามา ธรรมชาตินี่ก็เปลี่ยนเหมือนกับแม่ที่สองของเรานะพวกเราหลายคนนะก็มีชื่อชื่อเล่นนะครับเป็นชื่อที่มาจากธรรมชาติต้นน้ําทานใสต้นข้าวนะหรือว่าถิวไม้เนะี่ยนี่ชื่อธรรมชาติทั้งนั้นข้าวฟ่างกระแตนะมีอะไกนะพวกเรานี่มีชื่อ ที่เป็นธรรมชาติทําไมพ่อแม่ให้ชื่อที่เป็นธรรมชาติแก่เรานะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเห็นคุณค่าของธรรมชาติแต่พวกเราเนี่ยหลายคนถ้าเกิดว่าเรามีชื่อเนี่ยที่เป็นธรรมชาติอย่างที่ว่ามาแต่ว่าเราไม่รู้จักธรรมชาติเลยนะก็เรียกว่าเสียโอกาสนะควรภาคภูมิใจนะที่เรามีชื่อเนี่ยที่อิงกับธรรมชาติขุนเขานะ ฟองฟ้าทะเลนี่ก็เป็นชื่อของหลายคนหลวงพ่อนีชื่อจีนนี่ก็ทะเลนะชื่อจีนนี่ทะเลดางการที่เรามีชื่อผูกพันกับธรรมชาตินี่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะคนสมัยนี้ไม่ค่อยเห็นคุณค่างธรรมชาติก็จะรู้สึกว่าบางทีก็น่าอายนะโอ้เรามีชื่อนี้นะดูมันต่ําต้อยนะไม่เหมือนชื่อที่เป็นภาษาบาลีนะเข้าใจยาก แปลไม่ได้แต่รู้สึกว่ามันเก๊มันโก้มันเก๋นะแต่การที่เรามีชื่ออิงธรรมชาติเนี่ยมันก็เพราะว่าพ่อแม่เราเห็นความสำคัญของธรรมชาติหรือถึงแม้หลายคนไม่มีชื่อเป็นธรรมชาตินะแต่ว่าเราก็ต้องนะเคารพธรรมชาตินะเพราะว่าที่เราเกิดมาได้เนี่ยก็เพราะธรรมชาติเนื้อตัวเรานี่มันธรรมชาติล้วนๆเลยนะ น้ำในตัวเรามีน้ำอยู่เจ็ดสิบปดสิเปอร์เซนเนี่ยนะในตัวเราเนี่ยนะที่เห็นเป็นดุ้นเป็นก้อนเนี่ยเจสิเปอร์นเนี่ยเจ็ดสิบปดสิเปอร์เซ็นี่คือน้ำนะน้ำมาจากไหนนะนะนั่นก็มาจากธรรมชาติมาจากลำห้วยลําทานมาจากฝนมาจากท้องฟ้าไม่ได้มาจากที่ไหนเลยนะแม้แต่น้ำที่เราซื้อมาจากเซเว่นนี่นะ มันก็มาจากธรรมชาติเนื้อหนังของเราก็ดูของเราเนี่ยนะมาจากไหนนะมาจากอาหารอาหารที่เรากินคืออะไรนะก็มีผักผักมาจากไหนนะผักก็ปลูกบนดินใช่ไหมมันก็ดูดเอาแร่ธาตุนะแคลเซียมแคลเซียมโพแทสเซียมในตัวเจนนะจากดินบางทีก็เอาคาร์บอนคาร์บอนมาจาก อากาศเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจีิงอยู่เรากินปลากินเนื้อแต่ปลาและเนื้อเนี่ยนะมาจากไหนนะมันก็พวกปลาและเนื้อมก็หรือสัตว์เนี่ยมันก็กินผักเป็นอาหารถึงที่สุดแล้วก็กินผักเป็นอาหารนะน้ำผักมาจากไหนก็ผักมาจากดินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อตัวเราเนี่ยทั้งแท่งเลยนะไม่ว่าส่วนไหนก็ตามนะ ตั้งแต่เส้นผมลงมาจนถึงกระดูกนะธรรมชาติทั้งนั้นแล้วก็ธรรมชาติที่ว่านี่ก็มีดินนะนะเป็นจุดกำเนิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราควรจะระลึกถึงบุญคุณของธรรมชาตนะิแล้วก็รู้สึกว่าการที่เราได้มาอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี้เป็นเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะถึงแม้ว่าจะไม่มีห้องติดแอ ยิ่งเราเป็นนักบวช ด, ด้วยแล้วนี่นะยิ่งต้องหันมาใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นทุกเชา้านี่เราบินทบาทนะเราบินทบาทเนี่ยเท้าเราสัมผัสพื้นนะเพราะว่าเท้าเราไม่ได้ใส่รองเท้าทุกเช้าเนี่ยนะเราได้มีโอกาสย่างเหยียบบนพื้นดินอันนี้มันเป็นมันเป็นสั ญ, ญลักษณ์นะว่าคนเราเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็ต้อง นะแยกขาดจากธรรมชาติไม่ได้แต่บางครั้งเราก็ลืมไปนะว่าเราต้องพึ่งพิงอาศัยธรรมชาติเราเป็นส่วนหนึ่งธรรมชาติ <c oughs> พราะเดี๋ยวนี้เราอยู่เรามีชีวิตที่เหินห่างจากธรรมชาติมากนะ <c oughs> หลายคนก็มาจากในเมืองบ้านก็เป็นตึกนะ น้ำก็มาจากก๊อกเดี๋ยวนี้ถามเด็กตั้งว่าน้ำมาจากไหนเด็กก็จะตอบส่วนใหญ่ว่าน้ำมาจากก๊อกเนี่ยถ้าเป็นเด็กที่อยู่กับหมู่บ้านอยู่กับธรรมชาติเขาบอกว่าน้ำเนี่ยนั้นมันมาจากลําห้วยนะและน้ําจากลําห้วยนี่มาจากไหนก็ามาจากป่าทั้งเด็กเขาจะรู้สึกผูกพันกับธรรมชาตินะไม่ว่าจะเป็นลําห้วยป่าภูเขาอันนี้คือ สมัยก่อนหรือว่าชนบทสมัยนี้ก็ยังมีความก็ยังเห็นความผูกพันสัมพันธ์กันนะแต่ว่าเด็กที่เกิดในเมืองอยู่ในเมืองนี่จะไม่ค่อยเห็นละถามว่าผักมาจากไหนนะอาหารมาจากไหนหลายคนก็ตอมมาจากเซเว่นที่จริงมันก็มาจากนะมาจากฟาร์มมาจากไร่นะข้าวก็ไม่ใช่มาจากห้างนะข้าวก็มาจากท้องนาเนี่ยเราเนี่ย เป็นนี่บุญคุณธรรมชาติมากนะอันนี้คือเหตุผลที่ค่ายนะนสามเณรศิลจารณีนำนะพาพวกเรามาที่นี่นะเพื่อมาได้สัมผัสกับธรรมชาตินะเรียกว่าคืนสู่ร่างเงาของเราธรรมชาติคือร่างเงาของเรานะเป็นกรรมพืชของเรานะที่เราต้องรู้จักคนสมัยนี้ไม่รู้จักร่างเงาไม่รู้จักกรรมพืชนะ คนเราถ้าไม่มีร่างเง้าไม่รู้จักกําพืชเนี่ยหรือไม่เคารพร่างเง้ากําพืชของตัวนี่หาวความเจริญได้ยากนะแต่พอเราไม่รู้จักร่างเง้าไม่รู้จักกรรมพืช น, นะที่ผูกโยงกับธรรมชาติเราก็เลยทําลายธรรมชาติกันขนาดใหญ่นะเราศอว่าธรรมชาติเป็นเป็นสิ่งที่น่าต่ําต้อยถ้าเท้าเหยียบดินสัมผัสดินนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สกปรกนะแต่ที่จริงเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมาก ท้าเดียวสัมผัสดินเท้าเปล่านี่แหละมนุษย์เรานี่เป็นนี่ธรรมชาติเยอะนะแล้วเราก็สามารถเจริญรู้จากธรรมชาติได้หลายอย่างอที่โลกเจริญทุกวันนี้ได้ก็เพราะอาศัยนะธรรมชาติไม่ใช่แค่เอาแร่ธาตุจากธรรมชาติมาสร้างตึกมาสร้างถนนมาทําเครื่องบินเท่านั้นนะเรายังเอาความรู้จากธรรมชาตินี่มาใช้ในการพัฒนา เทคโนโลยีสร้างความเจริญให้กับเราธรรมชาตินี่มันมีอะไรให้เรียนรู้รได้เยอะเลยน ะ, ะพวกเรานี่อาจจะเคยได้ยินนะหลือบางคนอาจจะเคยนั่งนะรถไฟความเร็วสูงนะรถไฟความเร็วสูงนะมันกําเนิดที่ประเทศอะไรรู้ไหมญี่ปุ่ น, นนะเครื่องลักชิวรกันเซ็นนะก็ประมาณสักห้าสิบปีมาแล้วนะ ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาผลิตรถรถไฟที่เร็วสูงมากชิงกันเซนแปลว่ารถกระสุนนะกระสุนมันเร็วพอๆกับกระสุนปืนเลยนะสมัยนั้นนะเขาเลยตั้งชื่อว่าชินกันเซน็นตอนนี้เขาสร้างใหม่ๆเนี่ยเขามีปัญหานะว่ารถไฟเนี่ยมันเร็วก็จริงนะแต่มันส่งเสียงดังเสียงมันดังมากเลยนะจนกระทั่งคนผู้คนที่อยู่ รอบอยู่ริมทางรถไฟเนี่ยเขาลาคาญนะขนาดบ้านเราเนี่ยนะรถไฟความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ริมทางนี่ก็บ่นแล้วแต่ชิงคอนเซนต์นี่มันเร็วเป็นสามเท่า น, นะ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วพอมันเสียงดังเนี่ยก็ทําให้มันเล่นความเร็วมากไม่ได้ยังเล่นได้อีกนะเป็น300กิโลเมตร400กิโลเมตรแต่มันดังมากแล้วทํำยังไงนะ ก็มีนอกวิศวกรหนึ่งเขาสังเกตนะนกกระเตนเนี่ยเพราะเราจักนกกระเตนไหมนกกระเตนนี่มันชอบมันกินอะไรเป็นอาหารนะมันกินปลาเวลากินปลานี่นะมันจะโฉบนะใช้วิธีโฉบลงมามาที่ผิวน้ำนะมันก่ออยู่ที่อาจจะอยู่เกอะอยู่บนก้านบัวหรือกาะ อ, อยู่บนกิ่งไม้หักหักเนี่ยนะแล้วมันก็คอยดูนะมี ปลาโผล่มาที่ผิวน้ำนะแล้วมันก็จะโฉบลงมาเลยนะบางทีมันก็อยู่ที่สูงนะอยู่บนต้นไม้เนี่ยมันก็โฉบลงมาก็าสังเกตว่ามันโฉมเนี่ยเงียบกริบเลยนะปลานี่ไม่รู้สึกเลยนะมารู้ตัวอีกทีก็อยู่ในอ่าถูกมันฆ่าไปแล้วก็สังเกตไว่าทำไมทําไมอะไรทําให้นลกระติดเนี่ยมันสามารถโฉบลงมาด้วยความเร็วสูง สำหรับธรรมชาตินะแล้วก็เงียบมากเพราะว่ามันต้องมีแรงต้านจากธรรมชาติแรงต้านจากอากาศเขาพราะจะงอยมันน่ะจะ ง, งอยปากมันเนี่ยนะมันช่วยลดแรงต้านของอากาศได้เขาก็เลยปรับนะหัวรถไฟเนี่ยนะให้มันเรียวเหมือนกับเหมือนกับอะไรเหมือนกับจะงอยปากนกกระเต็นเนี่ยให้เรารู้นะเวลาเราดูรถไฟแรงสูงเนี่ยไอ้ที่ปากไอ้หัวรถไฟเนี่ยที่เป็นอย่างนี้ได้เพราะเขาไปเรียนแบบธรรมชาติได้ผลนะ พอทำให้มันเรียวแบบจงอยปากของนกกระเตนนี่นะรถไฟเนี่ยความเร็วสูงก็จริงเสียงดังน้อยลงแต่มยังมีปัญหาอีกนะเพราะรถไฟเนี่ยนะมันต้องมันต้องใช้ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีไฟฟ้าเนี่ยส่งจ่ายมาที่รถไฟรถไฟตลอดเวลาก็ต้องมีเสาอากาศเนี่ยไปรับไปรับไฟฟ้าเนี่ยจากจากสายไฟเนี่ย ราสังเกตรถไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยนะมันจะมีข้างบนเนี่ยรถไฟฟ้าข้างบนรถไฟรถไฟเนี่ยมันจะมีมันจะมีสายมันจะมีลวดส่งไฟฟ้าตอนนี้ก็ต้องมีรถชิงอันเซนนี่นก็ต้องมีเสาเนี่ยยื่นไปแตะไปแตะสายไฟฟ้านะนะั่นอันนี้พอแตะเนี่ยนะเรากดว่ามันเสียงดังเพราะมันเกิดการสัมผัสกันเกิดการเสียดสีกันเสียงดัง นะไอ้ตัวนั่นนะ่ะไอต้ตัวตัวเสาอากาศเนี่ยนะตัวเสาไฟฟ้าเนี่ยทำให้เขาเร่งความเร็วไม่ได้อีกนะแก้ปัญหาที่หัวมันไปได้แต่ไป ม, มีปัญหาที่ที่เสารับไฟฟ้าก็มีนักวิทยาศาสตร์ ก, รก็สังเกตนะนกนกคู่นกเขาแมวเนี่ยนะเวลามันโฉบลงมาเนี่ยมันก็เงียบเหมือนกันนะโฉบหนูโฉบอะไรเนี่ยนะมันโฉบนี่มันเงียบ ม, มากเลยนกเขาแมวเนี่ย จมูจงอยปากนี่ไม่เหมือนกับนกกระเตนนะใช่ไหมแต่ทำไมมันโฉมมาได้เสียงเบามาก ก, ก็สังเกตนะว่าตรงตรงตรงไอ้ปีกมัน่ะนะปีกมันเนี่ยนะมันมีเงี่ยงเล็กๆนะเงี่ยงเล็กๆ เ, เ, เนี่ยอยู่ตรงปลายปีกซึ่งช่วยช่วยลดเสียงดังได้นะ เขาศึกษาจนพบว่านี่อ๋อนี่คือเคล็ดลับที่ทําให้นกพวกนกเขาแมเนี่ยมันโชวลงมาด้วยความเร็วและเสียงเงียบมากเลยหนูนี่ไม่ไม่ทันกระดิกเลยนะเสร็จไปแล้วเขาก็เลยทําให้ไอตรงเสาเนี่ยเสารับไฟฟ้าเนี่ยนะมันมีเงี่ยงเล็กๆก็ทําให้ช่วยลดแรงเสียดสีของเวลาสัมผัสกับอากาศเวลาลดความเร็วเนี่ยนะมันก็ลดการเสียดสีได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนการที่เรามีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยนะ เป็นเพราะเราเรียนจากธรรมชาตินะเราเรียนจากธรรมชาติธรรมชาตินี่มันให้ความรู้กับเราได้เยอะเลยนะไม่ใช่แต่ความรู้ทางโลกเท่านั้นนะไอ้ที่พูดมานี้เป็นความรู้ทางโลกที่ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีคนเรานี่ก็สามารถจะเรียนธรรมะจากธรรมชาติได้เหมือนกันเรียนได้เยอะแยะเลยนะคนสมัยก่อนนี้เขาช่างสังเกต แล้วเขาก็เอาธรรมชาติเนี่ยเช่นสิงสารสัตว์เนี่ยมาสอนใจเราเช่นนะเขาสังเกตว่าไอ้งูเนี่ยนะงูงูจงอางเนี่ยนะพิษมันเยอะมากเลยนะแต่มันเลื้อยอย่างช้าๆมันไม่แสดงนะมันไม่อวดนะว่ามันเก่งว่ามันมีพิษเยอะขณะที่แมงปองนี่พิษน้อยนิดเดียวนะแต่ว่าชูชูหาง ชูหางอวดนะว่ากูเก่งกูแน่นะพวกเรารู้จักเพลงรู้จักโครงโลกกันนิดไหมรู้จักไหมจำบทนี้นะมะั้ยนาคีมีพิษเพียงสุริโยเลื้อยบอททำเดโชแช่มช้าพิษน้อยยิงโยโซมแมลงป่องชูแต่หางเองอ้าอวดอ้างือที<ม>เข้าใจไหมแปลว่าอะไร<ม>เพราะว่านากเนี่ยหรือว่าพวกงูจงอางหรืองู เผาเนี่ยนะโอ้โหพิษมันเยอะเหมือนกระดูงกระทิศเลยนะนาคีมีพิษเพียงสุริโยแต่เวลามันเลื้อยเนี่ยนะเลื้อนอย่างชา้าช้าไม่อวดไม่อวดเก่งเลื้อยบอทําเดโชแช่ม ช, ช้าเลื้อนชา้าช้าตรงข้างกับแมงป่องนี่แมงป่องนี่พิษน้อยยิงโจโซนะแมงป่องนี่พิษมันพิษมันน้อยแต่แต่มันยิงนะมันอวดนะชูหาง นะชูแต่หางเองอ้าอวดอ้างฤทธีฤทธเนี่คือฤทธิ์นั่นแหละคือเขากำลังสอนเรานะว่าคนเก่งนี่เขาไม่เขาไม่โชว์ออฟนะคนเก่งคนมีอำนาจนี่เขาไม่ไม่ไม่อวดเบ่งนะไอคนที่อวดเบ่งเนี่ยอย่างแมงป่องเนี่ยเพราะมันพิษน้อยนะมันก็เลยต้องอวดนะอันนี้สอนใจนะว่าคนเก่งนะคนมีอำนาจนี่เขาไม่เขาไม่ไม่อวดเบ่งนะ เขาไม่แสดงตัวนะเขาอ่อนน้อมถ่อมตัวนะเวลาเดินไปไหนก็แช่มช้าดูไม่น่ากลัวนะีแต่พิษนี่เหลือประมาณเลยส่วนในแมงป่องนี่พิษมันน้อยนิดแต่มันอวดมากเลยนะใครที่ชอบอวดชอบโอยแสดงว่าข้างในไม่มีอะไรนะกลวงนะผู้ชายบางคนก็ไปอวดอวดเบ่งกับผู้หญิงนะคิดว่าฉันแน่ฉันเก่งเนะี่ยแต่ความจริงแล้วก็ไม่มีอะไร อันนี้เขาสอนใจเรานะว่าให้เราเนี่ยรู้จักเรียนจากพวกพวกงูนะพวกงูจงอางนะพวกมากเนี่ยอีกบทหนึ่งนะถึงจนทนสู้กัดกินเกลืออย่าเที่ยวลวลาเนื้อเถือพวกพองเคยได้ไมินไรุ่นนี้เคยได้ไม่รู้ได้เรียนประนาณน่ะก็บนนะเนี่ยถึงจนยังไงเนี่ยกักดกินเกลือนะแต่อย่าไปเอาเปรียบใคร ถึงจนทนสู้กัดกินเกลื อ, อยาเที่ยวแล้วเนื้อเถือพูดพ้องอดอยากเยี่ยงอย่างเสือสงวนสัก์นะโซก็เสาะใสท้องหาเนื้อกินเองนี่ก็ให้เรียนให้เรียนจากเสือนะเสือนี่นะมันหิวยังไงนะมันก็ไม่เคยไม่เคยไปไถไม่เคยไปรบกวนใครนะมันก็พึ่งพาตัวเองรู้จักพึ่งตัวเอง อดอยากเยี่ยงอย่างเสือสงวนสักนะโซก็เสาะใส่ท้องหาเนื้อกินเองนี่อันนี้ก็สอนใจนะว่าคนเรานี่ถึงแม่ลําบากยังไงก็อย่าไปรบกวนใครนะต้องรู้จักอดทนอย่างเสือนะถ้าไม่ถ้าคนที่ไปเที่ยวแล่เนื้อเถือพวกพร้องนี่แสดงว่าไม่ใช่เสือล้วเป็นอะไรนะอาจจะเป็นหมากเลยนะนะแต่ถ้าเป็นเสือนี่เขาไม่ไม่ไปรบกวนใครไม่ ถึงจนเขาก็นะเขาก็ไม่รบกวนใครพวกเรานี่ก็เหมือนกันนะบางทีเราพ่อแม่ให้เงินมาเราก็ใช้เงินแบบไม่เผลอนะไม่ระมัดระวังจนกรนทั่งเหลือไม่กี่บาทอาจจะเหลือสักห้าบาทเองนะก็ไม่ไปไถเพื่อนนะมีแค่นี้ห้าบาทก็ซื้อข้าวพอให้พอกินแค่นั้นแหละห้าบาทนี้ก็ไปซื้อซื้ออะไรกิน ถึงหิวก็คนเอาเพราะเราต้องรับผิดชอบกับการกระทําของเราเราใช้เงินเยอะมันเหลือแค่ห้าบาทนะก๋วยเตี๋ยวชามาสามสิบนะเราก็ต้องหาทางแล้วห้าบาทนี้เราจะซื้ออะไรได้บ้างนะถ้าไม่ถ้าซื้ออะไรไม่ได้เลยก็ยอมยอมอดนะกินน้ำนะกรองน้ำใส่ปากนะแก้หิวไปก่อนนี่คือวิธีของเสือนะ เราถามตัวเราอยากเป็นเสือนะหรือว่าเราอยากจะเป็นหมานะนะนนี้เขาก็สอนใจว่าเราให้เราเรียนจากธรรมชาตินะทจริงพระพุจ้าก็สอนนะสอนว่าผีเสืออ้อในนั้นะผีเสือ้อเวลามันไปดูดน้ําหวานจากดอกไม้เนี่ยผีเสื้อจะดูดน้ําหวานอย่างแผ่วเบามาก ไม่ทาให้ดอกไม้บอบช้ําหรือว่าสีเสียไปอันนี้ผู้เจ้าเคยสอนนะผู้เจ้าสอนเนี่ยให้อันนี้ใช้สอนพระอเนนด้วยก็ได้นะว่าเราเป็นบนรรพชิตเป็นนักบวชเนี่ยเราต้องพึ่งญาติโยมแต่เราก็อย่าไปทําให้ญาติโยมเดือดร้อนนะเหมือนกับเหมือนกับผีเสื้อที่ต้องพึ่งพาดอกไม้นะแต่ว่าก็สูดน้ำนํำน้ําหวานจากดอกไม้พอประมาณ ไม่ทําให้ดอกไม้บอบช้าคําสอนนี้นะนอกจากมาใช้กับพระหรือเนรแล้วนี่ก็มาใช้กับพวกเรานะซึ่งเป็นมนุษย์ก็ได้นะมนุษย์เราเนี่ยต้องพึ่งพาธรรมชาติเราพึ่งพาธรรมชาติก็อย่าทําให้ธรรมชาติเดือดร้อนนะใช้น้ํานะ <c oughs> ก็ไม่ใช่พอไม่มีน้ําใช้น้ําขาดแคลนก็ทําลายป่านะสร้างเขื่อนแล้วนะมนุษย์เราอย่างนี้เป็นอย่างงี้นะใช้น้ํากันแบบไม่บรญยับบรรยังพอน้ํา อ่อนน้ำไม่ค่อยมีแล้วสร้างเขื่อนทําลายป่าให้น้ําท่วมทําลายป่าซะเลยได้น้ําเยอะดีนะแต่ว่าป่าก็พินาศอย่างนี้มันก็ไม่ถูกนะหรือว่าเราต้องการใช้ไม้นะจากจากป่าเราก็โค่นไม้จนหมดเลยโค่นต้นไม้จนหมดเลยเพื่อเอาเอาไม้นี่มาใช้มาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์หรือมาใช้ปลนเปล่าความ สะดวกสบายของเราแต่ทำลายป่าเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่วิสัยนะของชาวพุทธนะไม่ใช่วิสัยของคนมีธรรมะจะใช้ธรรมชาติยังไงจะพึ่งพาธรรมชาติยังไงก็อย่าไปทาลายนะเหมือนกับพึ่งนี่ก็ไม่ทำลายดอกไม้ให้เสียสีหรือว่าบอบชำ้ำในธรรมชาติในสอนอะไรเราได้เยอะทีเดียวนะแม้กระทั่งที่นี่เนี่ยนะเวลาเนี่ยวันนี้เราขึ้นไปนะ บนภูเขาเนี่ยเป็นเป็นเนินเนี่ยเราก็ผ่านส่วนที่เป็นฝ่าเบญจพรรณมั น, นก็มีบางส่วนนะที่ถูกไฟไหม้ <c oughs> แต่เราสังเกตไหมไอ้ <c oughs> พื้นที่ที่เราไปเนี่ยนะต้นไม้เนี่ยเขาก็ทิ้งใบนะใบมันแห้งนะเขาก็ทิ้งใบลงมาทําไมต้นไม้เนี่ยนะทิ้งใบลงมาใบเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้นไม้หวงแหนนะ ต้นไม้หลายชนิดเนี่ยเขาจะหาทางป้องกันไม่ให้สัตว์เนี่ยมากินใบเช่นมีหนามหรือว่าทําให้ใบเนี่ยมันขมไอ้ที่ต้นไม้หรือพังนี่มีใบขมก็เพราะเขาต้องการกันไม่ให้สัตว์นี่มากินเพราะธรรมาชาติของต้นไม้ี่เขาหวงใบแต่ทําไมเขายอมสละใบนะเมื่อถึงฤ ด, ดูนี้นะก็เพราะว่ามันไปฤ ด, ดูแล้งน้ํามันน้อย น้ำมันน้อยเนี่ยเขาก็ต้องรู้จักประหยัดนะประหยัดเพราะน้ํานี่เหมือนกับหาอาหารของต้นไม้เมื่ออาหารมีน้อยเขาก็ต้องประหยัดนะวิธีประหยัดคือว่าต้องยอมเสียยอมสละสละใบเพื่อจะได้ใช้น้ําน้อยลงอันนี้ก็ก็สอนเราเนะะเวลาเราเวลาเรามีเงินน้อยลงเนี่ยเราก็ต้องยอมสละบ้างสละความต้องการ บางคนอาจจะใช้ใช้จ่ายสุรุสุร่ายนะเพราะว่ามีเงินเยอะแต่ว่าบางครั้งบางคราวเงินก็น้อยนะบางทีพ่อแม่เราก็ยากจนเศรษฐกษิจช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีเงินที่ได้จากพ่อแม่ก็าจจะน้อยลงนะวิสัยของบัณฑิตหรือวิสัยของคนมีธรรมะนี้ก็จะไม่รบกวนพ่อแม่เราเคยใช้วันละสองร้อยหรือวันละร้อย เมื่อมีเงินน้อยลงก็ใช้วันละห้าสิบยอมสละความต้องการนะอ า, อาจจะเคยซื้อขนมซื้อน้ำอัดลมนะก็ใช้น้อยลงไม่ก็งดใช้นะงดกินน้ำอัดลมแต่ก่อนนี่นต้องไปซื้อไอติมซื้อชอ็อกโกแลตเราก็ใช้น้อยลงสละ <c oughs> บางทีนะค่าใช้โทรศัพท์ของเรามันเปืองมากนะ เดือละห้าร้อยแล้วก็ใช้ให้น้อยลงสองร้อยหรือร้อยหนึง่งอันนี้เนี่ยเราต้องเรียนจากธรรมชาตินะต้นไม้นี่เขาพร้อมจะสละและเพราะเขาสละนี่แหละสละใบเนี่ยมันทําให้เขาอยู่รอดได้จนถึงฤดูฝนถ้าต้นไม้ไม่รู้จักสละนะต้นไม้ก็อยู่ไม่รอดนะแพวกเราก็เหมือนกันไนะม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยนะถึงเวลาที่มันขาดแคลนเงินทองขาดแคลน ก็ต้องใช้น้อยหลงต้องสละนะบางอย่างอาจจะต้องไม่ใช้เลยนะโทรศัพท์นะสมาร์ทโฟนราคาแพงเราก็แต่ก่อนอยากได้นะเราก็สละนะไม่เอาเพราะพ่ อ, พอแม่ไม่ค่อยมีเงินหรือแม้กระทั่งการการที่ทุกวันนี้เราใช้สิ่งแวดเราใช้ไฟฟ้าใช้น้ำนะใช้ ทรัพยากรจากธรรมชาติแต่ธรรมชาติตอนนี้มันก็มีทรัพยากรน้อยลงเราก็รู้จักนะยับยั้งความต้องการสละนะสละความต้องการของเราใช้น้อยลงจึงจะอยู่รอดได้นี่มนุษย์เราเนี่ยมไม่ค่อยได้เรียนรู้จากธรรมชาตินะเราก็เลยเนะพาตัวเองเนี่ยมาสู่วิกฤต วิกฤตทั้งในระดับบุคคลระดับครอบครัวหรือว่าระดับโลกแล้วก็มีนะให้เรารู้จักนะเรียนจากธรรมชาติบ้างนะเคารพธรรมชาติเรียนทำจากธรรมชาติพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสอนพระราหุล น, นะตอนนั้นพระราหุลเป็นสามเณรนะสอนง่ายๆนะสอนให้รู้จักทาใจเนี่ยเหมือนกับธรรมชาติ ทำใจเหมือนกับดินทำใจเหมือนกับน้ำทำใจเหมือนกับไฟทำใจเหมือนกับลมผู้เจ้าสอนสามในรลาหุนว่าดินเนี่ยจะใส่จะทิ้งอะไรลงไปที่ดินนะจะเป็นอุจจระปัสสวะจะเป็นขยายไงดินก็ยังเป็นดินอยู่ไม่เป็นอื่นไปได้น้ำนี่นะเราจะฉี่เราจะ เทลลงไปในน้ำเนี่ยแม้จะเป็นของโสโครกน้ำสกรปรกเนี่ยน้ำก็ยังเป็นน้ำอยู่ก็สามารถจะสลายพวกสิ่งสกรปรกให้นะให้มีพิษภัยน้อยลงไฟเนี่ยนะกองไฟเนี่ยเราจะโยนอะไรลงไปเนี่ยโนะยนสิ่งสกรปรกลงไปจะเป็นถ่านจะเป็นไม้จะเป็นขยะมันก็ยังเป็นไฟอยู่นั่นแหละ ลมเนี่ยมันพัดไปที่ไหนน ะ, นะจะพัดกองขยะจะพัดทุ่งดอกไม้ลงก็ยังเป็นลมอันนี้พระเจ้าสอนสามเณรลาหุนนะว่าให้ทําใจเนี่ยเป็นปกติใครก็จะด่าว่าเรายังไงนะเราก็ใจก็เป็นปกตินะจะเจอแดดเจอร้อนนะใจก็เป็นปกติเพราะอาการหนาวนะก็ไม่วันไหวไม่บน ไ, ไว้วยวาย นะสามเนรลาหุนจึงเป็นสามเนนที่อ่อนน้อมถ่อมตนมากเพราะว่าทําใจเนี่ยเหมือนกับน้ําเหมือนกับดินเหมือนกับไฟเหมือนกับลมแล้วก็ในสุดก็ทั้งที่สามเนราหุนนี่ก็เป็นเรียกว่าเส้นใหญ่นะถ้าพูดภาษาสมัยนี้นะเป็นรูปพระพุทธเจา้าแต่ว่าสามเณรลาหุนนี่ไม่เคยเรียกร้องอภิสิทธิ์นะคณะสงฆ์จะให้ไปนอนที่ไหนก็ ก็ไม่ขัดก็ไม่ขัดข้องมีช่วงหนึ่งนะวัดนี่มีพระเยอะแยะเลยะรพระกันตุ ก, กะนะซ้ำนี่เราหุนก็ไม่มีที่นอนก็ไปนอนอยู่ใกล้ๆห้องน้ำไม่เคยบน่นไม่เคยเรียกร้องว่าฉันเป็นลูกพระพุทธเจ้านะนะฉันต้องได้ที่ดีนะไม่มีนะเพราะซ้ำเนี่ยเราหุนนี่นะทำตัวอ่อนน้อมหรือว่าต่าต้อยเหมือนกับดิน เหมือนกับน้ำํำมันก็ไฟมันก็ลมคือไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ก็ไม่บนนะไม่ตีโพยตีพายนะยังเสมอต้นเสมอปลายไม่เหมือนพระบางรูปนะอย่างพระเนี่ยพระชืนน่อพระฉันนาเนี่ยพระฉันนานี่นะถือว่าเป็นสหัสชาติกับพระเจ้านะตอนที่พระเจ้ายังไม่บวชเนี่ยฉันนานี่ก็พาพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ติดตามพระเจ้าจกนกระทั่ง วินาทีที่พระเจ้าออกบวชเนี่ยฉันน่าเธอเป็นคนสนิทมากกับพระพุทธเจ้าเมื่อฉันหน้ามาบวชแล้วเนี่ยนะก็ยังเถื่อพิษิทนะไม่ยอมเชื่อฟังคําสั่งสอนคําแนะนําของใครแล้วก็ยังแถมตําหนิต่อว่าพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะะผู้ว่าใครอะไรใครๆก็พูดแต่สารีบุตรใครก็พูดแต่แตโมคคัลลานะไม่เห็นพูดถึงเราเลยนะเรานี่เป็นคนสนิทของพระพุทธเจ้าเนะ่ย ของตั้งแต่สมัยเป็นเจ้าชยยายสิทธัตถะเนี่ยเป็นคนเรียกว่าทำตัวเหมือนกับแมงป่องนะพิษน้อยหญิงโยโ ซ, โซมแมลงป่องนะชูแต่หางเองอ้างอวดอ้างฤทธีอวดอวดเบงนะผู้เจ้าสอนก็ไม่เชื่อนะสุดท้ายเนี่ยพระพุทธเจ้าปรินิพพานีก็ถูกสงลงพรหมฐานพรหมฐานคือว่าไม่คบค้าสมาคมด้วยไม่พูดไม่คุยด้วยไม่สอนไม่สั่งว่าฉันนาเจอไม้เด็ดอย่างนี้ เป็นลมเลยนะแต่ต่นหลังนี่กลับตัวเป็นคนดีนะกลับตัวมาเป็นผู้ประพฤติดีจนท้ายในสุดก็ ป, ประพฤติทำปฏิบัติธรรมจนได้เป็นพระอรหันต์อันนี้แตกต่างจากนะสามในลาหุนสามในลาหุนนี่มีดีเยอะนะแต่ว่าถ่อมตัวเนี่ยเหมือนกับนาคนะนาคีมีพิเพงสุริโยเลื้อยบ่อทําเดโชแช่มปชานะแล้วนะพวกเรานี่ถึงแม้ตัวเล็กนะแต่เราก็สามารถจะเรียนธรรมะได้นะจากธรรมชาตินะ อย่าเรียนแต่หนังสืออย่าเรียนแต่ตำราอย่างเดียวนะสังเกตสังกาธรรมชาติและธรรมชาตินี่จะสอนอะไรได้เยอะทั้งในเรื่องทางโลกและเรื่องทางธรรมเอาแล้วก็น ะ, ะคำนี้ก็ข อ, อพูดเท่านี้ก่อน